3. ามโดยฉลาดในนิมิตความฉลาดในนิมิตนั้นได้แก่ความฉลาดในการทำนิมิตของสมาธิเช่นปัตวีกสินเป็นต้นซึ่งยังไม่ได้ทำขึ้นอย่างหนึ่งได้แก่ความฉลาดในการภาวนาซึ่งนิมิต ท, ที่ทำขึ้นแล้วอย่างหนึ่งความฉลาดในนิมิต ท, ที่ประสงค์เอาในอปปนาโกส ล, ลกฐานี้ได้แก่ ความฉลาดในการรักษาซึ่งนิมิต ท, ที่ได้มาแล้วด้วยการภาวนานั้นสโดยยกจิตในสมัยที่ควรยกถามข้อว่าโยคีบุคคลย่อมยกจิตในสมัยที่ควรยกนั้นคือทำอย่างไรตอบการใดโยคีบุคคล น, นั้นมีจิตหดหูด้วยเหตุทั้งหลาย เช่นความมีวิริยะย่อหย่อนมากเป็นต้นการนั้นอย่าเจริญสัมโพชงสามประการมีปัสสติสัมโพชงเป็นต้นแต่พึงเจริญสัมโพชงสามประการมีธรรมะวิจยะสัมโพชงเป็นต้นวิธียกจิตด้วยสัมโพชงสามข้อนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาค ทรงเทศนาไว้ดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ใคร่จะสุมไฟกองเล็กๆให้ลุกโผล่ขึ้นเขาใส่ญ้าสดเข้าไปด้วยใส่มูลโคสดเข้าไปด้วยใส่ไม้สดเข้าไปด้วยมินําซ้ําพลนลมปนน้ําลายใส่ด้วยโปรยขี้ฝุ่นใส่ด้วยในกองไฟนั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นควรหรือไม่เล่า เพื่อจะทำไฟกองเล็กๆนั้นให้ลุกโผงขึ้นได้ข้อนั้นไม่ควรจะเป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันเดียวกันนั่นเทียวและสมัยใดจิตหดภูสมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชฌงไม่ใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงไม่ใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายเพราะจิตหดหูอยู่แล้วจิตที่หดหูนั้นยอมยากที่จะช่วยยกขึ้นได้ด้วยสัมโพชงคตธรรมเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายแต่สมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญปิติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่จิตหดหู่นั้นย่อมง่ายที่จะช่วยยกขึ้นด้วยสัมโพชงฆะธรรมเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ใกล้จะสุมใยกองเล็กๆให้ลุกโผล่ขึ้นเขาจึงใส่หญ้าแห้งเข้าไปด้วยใส่มูลโคแห้งเข้าไปด้วยใส่ไม้แห้งเข้าไปด้วยช่วยเป่าลมปากใส่ด้วยแต่ไม่โปอยขี้ฝุน่น ลงใส่ในกองไฟนั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นควรหรือไม่เล่าเพื่อที่จะทำไฟกองเล็กๆนั้นให้ลุกโพล่ขึ้นได้ควรที่จะเป็นอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าค่าอาหารปัจจัยของธรรมวิจยะเป็นต้น และในอธิการนี้นักศึกษาพึงทราบถึงวิธีการเจริญสัมโพชฌงสามประการมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจอาหารปัจจัยของตนของตนต่อไปดังนี้อาหารปัจจัยของธรรมวิจยะข้อนี้สมดังดี่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลมีอยู่ธรรมะทั้งหลายที่มีโทษและที่หาโทษไม่ได้มีอยู่ธรรมะทั้งหลายชั้นสามและชั้นประนีตมีอยู่ธรรมะทั้งหลายที่มีส่วนเปรียบด้วยของดำและที่มีส่วนเปรียบด้วยของขาวมีอยู่การหมั่นมนสิการโดยชอบในกุศละธรรมเป็นต้นเหล่านั้นนี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไป เพื่อทําให้ธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือย่อมเป็นไปเพื่อความพินโยยิ่งเพื่อความไพ่บู์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งธรรมวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วอาหารปัจจัยของวิริยะอีกประการหนึ่งทรงเทศนาไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย อารัมพทธาตุนิกรรมธาตุและปรกกรรมธาตุมีอยู่การหมั่นมนสิการโดยชอบในอารามพรธาตุเป็นต้นเหล่านั้นนี้จัดเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไปเพื่อทำวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือย่อมเป็นไปเพื่อความพินโยยิ่งเพื่อความภัยบูนเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูนแห่งวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้ว อาหารปัจจัยของปิติและอีกประการหนึ่งทรงเทศนาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสมโพชงมีอยู่การหมั่นมนาสิการโดยชอบในธรรมะเหล่านั้นนี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่เป็นไปเพื่อปิติสมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือย่อมเป็นไปเพื่อความพินโยยิ่งเพื่อความภัยบู์ เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปิติสัมโภชงที่เกิดขึ้นแล้วอธิบายพระบาลีในพระบาลีนั้นมีอธิบายดังนี้มนฑสิการที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการรู้ปรุกปรงซึ่งลักษณะของสภาวธรรมและลักษณะที่เสมอกันของสังขารธรรมชื่อว่า มนาสิการโดยชอบในกุศลธรรมเป็นต้นมนาสิการที่เป็นไปด้วยอำนาจที่ทำให้อารมพระธาตุเป็นต้นเกิดขึ้นชื่อว่ามณาสิการโดยชอบข้อนี้ได้แก่ชวนาจิตตุ บ, บา ท, ที่เกิดขึ้นด้วยการอย่างรู้ซึ่งลักษณะของสภาวะนั้นๆเป็นต้นแห่งกุศลธรรมเป็นต้นตามความเป็นจริงคําว่ามนาสิการ หมายเอาจิตที่พิจารณาอารมณ์ที่ขณะชวนะเกิดเจ็ดขณะนั้นมนาษิการที่เป็นไปด้วยอำนาจที่ทำให้อารมพทาตเป็นต้นเกิดขึ้นชื่อว่ามนาัษยการโดยชอบในอารมพาทาต้นในธาตเหล่านั้นความเพียรขั้นแรกเรียกว่าอารัมพทาตความเพียรที่มีกำลังกว่าอารมพทาต้น เพราะ อ, ออกพ้นไปจากความเกียจคร้านแล้วเรียกว่านิกรรมธาตความเพียรที่มีกําลังมากกว่านิกรรมธาตนั้นขึ้นไปอีกเพราะก้าวสู่ฐานะยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าปรกรรมธาตในที่นี้ท่านแสดงความเพียรไว้สามขั้นขั้นแรกเรียกว่าอารมพธาตขั้นกลางเรียกว่านิกรรมธาต ขั้นสูงเรียกว่าปา ร, รกกรรมธาตความเพียรเรียกว่าธาตุเพราะเป็นสภาพดํารงอยู่โดยสภาวะของตนไม่แปรผันและคําว่าธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมโพชงนี้เป็นชื่อของปิตินั่นเองมนาสิการที่ให้ปิติแม้นั้นเกิดขึ้นนั่นแหละชื่อว่ามนสิการโดยชอบ ธรรมะเจ็ดที่เป็นเหตุให้ธรรมะวิจยะเกิดอีกประการหนึ่งธรรมะเจ็ดประการยอมเป็นไปเพื่อทำให้ธรรมะวิจยะสัมโพธชงเกิดขึ้นคือ1การสอบถาม2การทำร่างกายและเครื่องใช้ให้สะอาด3การปรักอินรี่ห้าให้สู่ความสมดุลกัน4 การหลีกเว้นคนมีปัญญาสามห้าการสมาคมกับคนมีปัญญาดีหกการพิจารณาธรรมที่ต้องสอดส่องด้วยยานอันลึกซึง้งและเจ็ดการน้อมจิตไปในธรรมะวิจยะนั้นธรรมะสิบเอ็ดที่เป็นเหตุให้วิริยาเกิดขึ้นธรรมะสิบเอ็ดประการ ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้วิริยะสัมโพชงเกิดขึ้นคือหนึ่งการพิจารณาเห็นภัยมีทุกข์ในอบายเป็นต้น 2. การเห็นอนิสงของการบรรลุคุณวิเศษทั้งที่เป็นโลกิยะและโล ก, กุตระอันเนื่องด้วยความเพียร 3. การพิจารณาเห็นวิธีทางดำเนินอย่างนี้ว่า เราจะต้องดำเนินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระมหาสาวกทั้งหลายดำเนินไปแล้วและคนทั้งนั้นคนเกียจคร้านไม่สามารถจะดำเนินไปได้ 4. การเคารพในเข้าสุขด้วยทำให้ทายกผู้บริจาคทั้งหลายเป็นผู้ได้ผลมากห้า การพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาอย่างนี้ว่าพระบรมศาสดาของเราตรัสสรรเสริญคุณ ข, ของคนประรบความเพียรและพระองค์ทรงมีคำสอนอันไกลๆจะละเมินมิได้พระองค์ทรงมีพระอุปการะมากแกเราทรงเป็นผู้อนันเราบูชาอยู่และจะบูชาต่อไปด้วยปฏิบัติ บ, บูชาไม่ใช่โดยอามิสบูชาประการอื่นหก การพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่แห่งมรดกอย่างนี้ว่ามรดกอันยิ่งใหญ่คือพระสัจธรรมเป็นสิ่งอันเราจะต้องรับไว้และมรดกอันยิ่งใหญ่นั้นคนเกียจคร้านไม่สามารถจะรับไว้ได้เจ็ดการบรรเทาทีนะและมิทะด้วยการมณสิการถึงอาโลกสัญญาการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถและการอยู่ในที่โล่งแจ้ง 8. การหลีกเว้นคนเกียรติครานเกาการสมาคมกับคนปรารบความเพียรส0การพิจารณาถึงอนุภาพของความเพียรสีประการลสิบเอ็ดการน้อมจิตไปในวิริยะนั้นธรรมะสิบเอ็ดที่เป็นเหตุให้ปีติเกิด ธรรมม1สอดประการยอมเป็นไปเพื่อทำให้ปิติสมโพชงเกิดขึ้นคือหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 2. ธรรมานุสติระลึกถึงพระคุณของพระพธรรม 3. สังขานุสติระลึกถึงพระคุณของพระอริยสงฆ์สศีลานุสติ ระลึกถึงศีลที่บริสุทธิ์ของตนหจารยานุสติระลึกถึงการบริจาคทานที่ตนบริจาคแล้วหเทวานุสติระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาเจอุปสมานุสติระลึกถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวง8 การหลีกเว้นคนที่มีใจหยาบกระด้างเกาการสมาคมกับคนที่รักใคร่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นสิ 10. การพิจารณาถึงพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและสิเอ็ดการน้อมจิตไปในปีตินั้นเมื่อโยคีบุคคล อย่างธรรมะเหล่านี้ให้เกิดด้วยอาการทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเจริญธรรมะวิจยะสัมโพชงเป็นต้นให้เกิดขึ้นโยคขีบุคคลย่อมยกจิตในสมัยที่ควรยกด้วยประการชนนี้ห้าโดยข่มจิตในสมัยที่ควรขม่มถามข้อว่าโยคขีบุคคล ย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่มนั้นคือทำอย่างไรตอบการใดโยคีบุคคล น, นั้นมีจิตฟุ้งซ่านด้วยเหตุทั้งหลายมีการปรารบความเพียรเคร่งเครียดเกินไปเป็นต้นการนั้นอย่าเจริญสัมโพชงสามประการมีธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นต้นแต่พึงเจริญสัมโพชงสามประการมีปัสสติสัมโพชงเป็นต้น วิธีข่มจิตด้วยสัมโพธิชงสามข้อนี้สมด้วยที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาไว้ซึ่งมีปรากฏในคัมภีรสังยุตตานิกายมหาวาราวักดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ใกล้จะดับไฟกองใหญ่ให้มอดเขาใส่หญ้าแห้งเข้าไปด้วยใส่มูลโคแห้งเข้าไปด้วยใส่ไม้แห้งเข้าไปด้วย ช่วยเป่าลมปากใส่ด้วยและไม่ได้โปรยขี้ฝุ่นใส่ในกองไฟนั้นภิกษุทั้งหลายบูรุษนั้นเขาควรหรือไม่เล่าเพื่อที่จะทำกองไฟใหญ่นั้นให้ดับมอดลงข้อนั้นไม่ควรที่จะเป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันเดียวกันนั่นเทียวแลสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้น ไม่ใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงไม่ใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงไม่ใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่จิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วย่อมยากที่จะข่มให้สงบลงด้วยโพชงกระทำเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายแต่สมัยใดแล จิตย่อมฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสติสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่จิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นย่อมง่ายที่จะข่มให้สงบลงด้วยโพชงคาธรรมเหล่านี้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษใกล้จะดับไฟกองใหญ่ให้หมอดเขาใส่ญ้าสดเข้าไปด้วยใส่มูลโคสดเข้าไปด้วยใส่ไม้สดเข้าไปด้วยพ่นลมปนน้ําลายใส่ด้วยและโปรยขี้ฝุ่นเข้าใส่ด้วยในกองไฟนั้นภิกษุดทั้งหลายบุรุษนั้นเขาควรหรือไม่เล่าเพื่อที่จะย่างไฟกองใหญ่นั้นให้ดับมอดลงควรที่จะเป็นอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าค่ะ อาหารปัจใจของปัจสติเป็นต้นแม้ในอธิการนี้นักศึกษาพึงทราบถึงวิธีการเจริญสัมโพชงสามประการมีปัจสติสัมโพชงเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยอาหารปัจใจของตนของตนต่อไปดังนี้อาหารปัจใจของปัจสติข้อนี้สมด้วยที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาไว ซึ่งปรากฏในคมพีสังยุตตนิกายมหาวารวักดังนี้พิกูุนทั้งหลายกายปัจสัาิความสงบกายจิตตปัจสถิความสงบจิตมีอยู่การมันมานาิการโดยชอบในปัจสถิทั้งสองนั้นนี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไปเพื่อทำปัจสถิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อความพินโยยิ่งเพื่อความภัยบู์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบู์แห่งปัจสัทนิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วอาหารปัจจัยของสมาธิอีกประการหนึ่งทรงเทศนาอาหารปัจจัยของสมาธิไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสมถะนิมิตนิมิตคือความสงบอับยักขะนิมิต นิมิตคือความไม่ฟุ้งซ่านมีอยู่การหมั่นมนัสิการโดยชอบในนิมิต ท, ทั้งสองนั้นนี่นับเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไปเพื่อทำสมาธิสามโภชชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือย่อมเป็นไปเพื่อความพิญโยยิ่งเพื่อความภัยบู์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูนแห่งสมาธิสามพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้ว อาหารปัจจัยของอุเบกขาและอีกประการหนึ่งทรงเทศนาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของอุเบกขาสัมโพชฌงมีอยู่การหมั่นมนสิการโดยชอบในธรรมะเหล่านั้นนี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไปเพื่อทำอุเบกขาสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นหรือย่อมเป็นไปเพื่อความพินโยยิ่ง เพื่อความไัยบูนเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูร์แห่งอุเบกขาสามพโอชงที่เกิดขึ้นแล้วอ ธ, ธิบายพระบาลีในพระบาลีนั้นมีอ ธ, ธิบายดังนี้ธรรมะทั้งสามคือปสัสสธิสมาธิและอุเบกขา เคยเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลแล้วโดยอาการอย่างใดมณสิการที่เป็นไปด้วยอำนาจกำหนดเอาอาการนั้นแล้วทำให้ธรรมะทั้งสามนั้นเกิดขึ้นชื่อว่ามณสิการโดยชอบแม้ในบทพระบาลีทั้งสามภาคนั้นคำว่าสมถานิมิตนี้เป็นชื่อของสมถะนั่นเองและคำว่าอับยักานิมิตก็เป็นชื่อของสมถะนั้นเหมือนกัน โดยมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านะนี้แหลธรรมะเจ็ดที่เป็นเหตุให้ปัสสธิเกิดอีกประการหนึ่งธรรมะเจ็ดประการย่อมเป็นไปเพื่อทำให้ปสัสสธิสัมโพชฌงเกิดขึ้นคือหนึ่งการบริโภคอาหารอันปราณีต 2. การได้รับอากาศสบายสาม การใช้อิรยาบทที่สบายสการประกอบกิจแต่พอดีอย่างสม่ำเสมอหการหลีกเว้นคนที่มีกายกระวนกระวาย 6. การสมาคมกับคนผู้มีกายสงบและเจ็การน้อมจิตไปในปัสธินั้นธรรมะสิบเอ็ดที่เป็นเหตุให้สมาธิเกิด ธรรมสิบเอ็ดประการยอมเป็นไปเพื่อทำให้สมาธิสมโภชงเกิดขึ้นคือหนึ่งร่างกายและเครื่องใช้สะอาด 2. ความฉลาดในนิมิตกรร ม, มฐาน 3. การปรับอินทรีย์ห้าให้สู่ความสมดุล 4. การข่มจิตในสมัย 5. การยกจิตในสมัย 6. การพยุงจิตที่เบื่อหน่ายให้ร่าเริงด้วยอำนาจความเชื่อและความสลดใจ 7. การวางเฉยต่อจิตที่เป็นไปโดยชอบแล้ว 8. การหลีกเว้นคนผู้ไม่มีสมาธิ 9. การสมาคมกับคนผู้มีสมาธิ 10. การพิจารณาเฉพาะฌานและวิโมกและสิบเ็ด การน้อมจิตไปในสมาธินั้นธรรมะห้าที่เป็นเหตุให้อุเบกขาเกิดธรรมะห้าประการยอมเป็นไปเพื่อทำให้อุเบกขาสัมโพชฌงเกิดขึ้นคือหนึ่งความเป็นกลางๆางในสัตว์บัญญัติ 2. ความเป็นกลางๆางในสังขารทั้งหลาย 3. การหลีกเว้นคนผู้มีความสารวนในสัตว์และสังขาร 4. การสมาคมกับคนเป็นกลางๆงในสัตว์และสังขารและหาการน้อมจิตเป็นในอุเบกขานั้นโยคีบุคคลไม่อ ย, ย่างธรรมะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอยู่ด้วยอาการทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเจริญสัมโพชงสามประการ มีปฏิสัตทสำโพธิชงเป็นต้นให้เกิดขึ้นชนี้โยคีบุคคลย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรขม่มด้วยประการชนี้หกโดยพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามข้อว่าโยคีบุคคล ย่อมพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงนั้นคือทำอย่างไรตอบการไดโยคีบุคคล น, นั้นมีจิตไม่เบิกบานเพราะการขวนขวายในปัญญาย่อหย่อนหรือเพราะไม่ได้รับความสงบสุขการนั้นย่อมพยุงจิตนั้นให้สลดสังเวชด้วยการพิจารณาถึงสังเวควัตถุ8ปประการ สังเวคขวัตถูกแปบประการ น, นั้นได้แก่ชาติการเกิดชราพยาธิความเจ็บไข้และมรณะเป็นสี่ทุกในอบายเป็นที่ห้าทุกมีวัตตะเป็นมูลรากในอดีตเป็นที่หกทุกมีวัตตะเป็นมูลรากในอนาคตเป็นที่เจ็ดทุกมีการสแสวงหาอาหารเป็นมูลรากในปัจจุบันเป็นที่8ด และโยคียบุคคลย่อมพยุงจิตนั้นให้เกิดความเลื่อมใสด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อีกสถานหนึ่งด้วยโยคยีบุคคลย่อมพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงด้วยประการชนี้เจ็ดโดยเพ่งดูจิตเฉย ในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉยถามโยคีบุคคลยอมเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉยนั้นคือทำอย่างไรตอบการใดเมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติอยู่อย่างนี้จิตของเธอย่อมไม่หดหูไม่ฟุ้งซ่านยอมแช่มชื่นเบิกบานเป็นไปโดยสม่าเสมอในอารมณ์ ดำเนินสู่วิถีแห่งสมถภาวนาการนั้นโยคีบุคคลย่อมไม่ขวนขวายในอันที่จะยกและข่มจิตและในอันที่จะพยุงจิตให้ร่าเริงเหมือนในสารธีขับรถมาไม่ขวนขวายในม้าทั้งหลายที่วิ่งลากรถไปอย่างสม่ำเสมอกันฉะนั้นโยคีบุคคลย่อมเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉยด้วยประการชนี้ แโดยหลีกเว้นบุคคลผู้ไม่มีสมาธิการหลีกเว้นซะอย่างห่างไกลซึ่งบุคคลทั้งหลายจำพวกที่ไม่เคยก้าวขึ้นสู่เนคขมะปฏิปทาคือไม่เคยปฏิบัติปฏิปทาที่ให้ออกจากกามมัวแต่วิ่งวุ่นอยู่ในกิจการเป็นอันมากมีใจฟุ้งเฟ้อไปในกิจการนั้นๆชื่อว่าหลีกเว้นคนผู้ไม่มีสมาธิ 9. โดยสมาคมกับบุคคลผู้มีสมาธิการเข้าไปคบหาสมาคมกับบุคคลทั้งหลายจำพวกที่ปฏิบัติเนคขมะปฏิปทาได้สำเร็จสมาธิโดยการอันควรตลอดการชื่อว่าสมาคมกับบุคคลผู้มีสมาธิส0โดยน้อมจิตไปในสมาธินั้น ความน้อมจิตไปในอันที่จะทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นคือความหนักในสมาธิความน้อมไปในสมาธิความโน้มไปในสมาธิความทุ่มเทไปในสมาธิชื่อว่าน้อมจิตไปในสมาธินั้นโยคีบุคคลพึงทำอปปนาโกสนให้เกิดขึ้นโดยบริบูรณ์ด้วยประการชนนี้ อย่าทอดทิ้งความเพียรก็แลเมื่อโยคีบุคคลทาอปนาโกศล น, นี้ให้บริบูรณ์ในปฏิภาคานิมิตที่ได้แล้วโดยอาการอย่างนี้อัปนาสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อได้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าอัปนาสมาธินั้นยังไม่บังเกิดขึ้นแม้ถึงเช่นนั้นโยคีบุคคลผู้บัณฑิตก็อย่าได้ทอดทิ้งความเพียร จงพยายามให้หนักยิ่งขึ้นเพราะเมื่อลูกผู้ชายทอดทิ้งความเพียรชอบเสียแล้วจะพึงได้บรรลุคุณนวิเศษแม้แต่นิดหน่อยนั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยประคองจิตให้จดจ่อในปฏิภาคณิมิตเพราะฉะนั้นโยกีบุคคลผู้บันดิต จึงคอยใกล้ครวนพิจารณาซึ่งพฤติการที่เป็นไปของจิตพยายามปรับปรุงวิริยะกับสมาธิให้มีหน้าที่สมดุลกันอยู่เสมอเสมอจึงคอยยกจิตที่ตกไปสู่ความหดหู่แม้เพียงเล็กน้อยขึ้นไว้ป้องกันจิตที่เคร่งเครียดเกินไปประคองจิตให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอสมดุลกันให้จงได้ พฤติการที่เป็นไปในละอองดอกไม้ในใบบัวในใยแมลงมุมในเรือนและในขวดน้ำมันของสัตว์ทั้งหลายมีมแมลงพึ่งเป็นต้นซึ่งท่านพันธนาไว้ด้วยดีแล้วในอัธกถาฉันใดโยคีบุคคลพึงพยายามปลดเปลื้องภาวนาจิตจากภาวะที่หดหูและภาวะที่ฟุ้งซ่านโดยสิ้นเชิงแล้วประคองภาวนาจิตให้ายหน้าจดจอ่อ อยู่ในปฏิภาคคณิมิตฉันนั้นเปรียบด้วยพฤติการมแมลงพึ่งกับละอองดอกไม้ในคำอุปมาอุปไมยนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้เปรียบเสมือนดังมแมลงพึ่งตัวไม่ฉลาดครั้นรู้ว่าต้นไม้นอนมีดอกบานแล้วก็รีบบินไปด้วยความเร็วอย่างมากจึงบินเลยต้นไม้นั้นไปเมื่อบินวนกลับมาอีก กว่าจะมาถึงก็ต่อเมื่อละอองดอกไม้ร่วงโรยไปเสียแล้วมแมลงพึ่งที่ไม่ฉลาดอีกตัวหนึ่งบินไปด้วยความเร็วอย่างน้อยมากเมื่อละอองดอกไม้ร่วงโรยแล้วจึงบินไปถึงส่วนมแมลงพึ่งตัวที่ฉลาดบินไปด้วยความเร็วอย่างพอดีจึงบินไปถึงป่าดอกไม้อย่างสบายพาเอาละอองดอกไม้พอแก่ความต้องการมาปรุงให้เป็นน้ําหวาน แล้วย่อมได้สวยรถแห่งน้ำหวานฉันใดเปรียบด้วยพฤติการสิทธิแพทย์ผ่าตัดกับใบบัวอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนสิทธิของแพทย์ผ่าตัดทั้งหลายที่กําลังศึกษาการผ่าตัดที่ใบบัวซึ่งอยู่ในถาดน้ำสิทคนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดจะรดมีดลงโดยแรง ยอมจะตัดใบบัวขาดเป็นสองเสียงหรือทะลุลงไปในน้ำอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดเหมือนกันไม่สามารถแม้เพื่อจะจรดมีดลงที่ใบบัวเพราะเกรงใบบัวจะขาดและเกรงมีดจะทะลุลงไปในน้ำส่วนสิทธ์ผู้ฉลาดแสดงการจรดมีดลงที่ใบบัวนั้นได้ด้วยประโยคอันพอดีนับว่าเป็นผู้มีศิลปะอันขาวสะอาด ครั้นไปประกอบการงานในสถานที่เห็นปานนั้นก็จะได้ลาบร่ำรวยต่อไปชันใดเปรียบด้วยพฤติการของบุรุษกับใหญ่แมงมุมอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเมื่อพระราชาทรงมีพระราชองค์การสั่งว่าผู้ใดสามารถนำเอาใหญ่แมงมุมมาให้ได้ประมาณสักสี่ว่า เขาจะได้รับรางวัลสี่พันกหาปณะชนนี้บุรุษผู้ไม่ฉลาดคนหนึ่งรีบสาวอ้อยใหญแมงมุมมาโดยเร็วเลยทําให้ใหย่แมงมุมขาดกระท่อนกระแท่นไปหมดอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดเหมือนกันไม่กล้าแม้ที่จะจับต้องใหญ่แมงมุมด้วยมือเพราะเกรงมันจะขาดส่วนบุรุษคนที่ฉลาดค่อยๆเอาใหญ่แมงมุมพันเข้าที่ท่อนไม้ ด้วยประโยคอันสม่ำเสมอตั้งแต่ปลายสุดแล้วนำมาถวายได้เขายอมได้รับพระราชทานรางวัลชั้นใดเปรียบด้วยพฤติการของนายท้ายเรือกับเรืออีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนนายท้ายเรือผู้ไม่ฉลาดในเวลาลมแรงจัดกางใบเสียจนเต็มใบ เขายอมพายเรือแล่นไปผิดที่หมายในท้ายเรืออีกคนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดเหมือนกันในเวลาลมอ่อนลดใบลงเขายอมทำเรือให้หยุดลงณนะที่ตรงนั้นเองส่วนนายท้ายเรือผู้ฉลาดในเวลาลมอ่อนก็กางใบให้เต็มใบในเวลาลมแรงก็กางเพียงครึ่งใบเขายอมไปถึงสถานที่ซึ่งตนปรารถนา โดยความสวัสดีชั้นใดเปรียบด้วยพฤติการของสิทธ์กับขวดน้ำมันอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเมื่ออาจารย์ของสิทธ์ทั้งหลายประกาศว่าผู้ใดสามารถกรอกน้ำมันให้เต็มขวดได้โดยไม่ให้หกทิ้งล้วจะได้รับรางวัลฉชนี้ สิทธ์คนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดแต่โลภอยากได้รางวัลจึงรีบกรอกน้ำมันโดยเร็วเลยทําให้น้ำมันหกทิ้งไปคนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดเหมือนกันยอมไม่กล้าแม้เพื่อจะกรอกน้ำมันใส่ขวดเพราะเกรงน้ำมันจะหกทิ้งส่วนสิทธิผู้ฉลาดค่อยๆกรอกน้ำมันใส่ขวดด้วยประโยคอันสม่ำเสมอโดยไม่หกเลยเขาย่อมได้รางวัลชั้นใด พฤติการของภิกษุผู้เป็นอุปมายฉันเดียวกันนั่นแหละภิกษุรูปหนึ่งเมื่อปฏิภาคานิมิตเกิดขึ้นแล้วทำความเพียรอย่างเคร่งเครียดทีเดียวด้วยหมายใจว่ารอจะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิโดยเร็วนั่นเทียวจิตของเธอย่อมจะตกไปในความฟุ้งซ่านเพราะเหตุที่ปรารบความเพียรเคร่งเครียดเกินไป เธอไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิได้อีกรูปหนึ่งมองเห็นโทษในความเป็นผู้มีความเพียรเคร่งเครียดเกินไปจึงได้ทอดทิ้งความเพียรด้วยทอดทุระว่าปัจจุบเราจะทุระอะไรกับอัปปนาสมาธิแต่นั้นจิตของเธอก็จะตกไปในความเกียดคร้านเพราะเหตุที่มีความเพียรย่อหย่อนแม้ภิกษุนั้น ก็ไม่สามารถเพื่อจะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิเช่นกันส่วนภิกษุใดพยายามปลดเปลื่องภาวนาจิตที่หดหูแม้เพียงเล็กน้อยออกจากภาวะที่หดหูปลดเปลื้องภาวนาจิตที่ฟุ้งซ่านจากภาวะที่ฟุ้งซ่านแล้วประคองให้ภาวนาจิตเป็นไปเฉพาะต่อปฏิภาคณิมิตด้วยประโยคอันสม่ำเสมอ คือไม่ให้เคร่งเครียดเกินไปและไม่ให้หย่อนยานเกินไปภิกษุนั้นยอมจะได้บรรลุถึงซึ่งอัปนาสมาธิอย่างแน่นอนอัญโยคีบุคคลพึงปฏิบัติให้เป็นเช่นนั้นนั่นเทียวข้าพเจ้าหมายเอาอธาธิบายอันนี้จึงกล่าวประพันธ์ทกถาไว้ซึ่งมีใจความว่า พฤติการที่เป็นไปในละอองดอกไม้ในใบบัวในใ ย, ยแมงมุมในเรือและในขวดน้ำมันของบุคคลทั้งหลายมีมแมลงพึ่งเป็นต้นซึ่งท่านพันณาไว้ด้วยดีแล้วในอัธกถาชันใดโยคีบุคคลพึงพยายามปลดเรื่องภาวนาจิตจากภาวะที่หดหูและภาวะที่ฟุ้งซ่านโดยสิ้นเชิง แล้วประคองภาวนาจิตให้บ่ายหน้าเฉพาะจดจอ่ออยู่ในปฏิภาคนิมิตฉันนั้นฉันนี้แหละหมายเหตุผู้อา่านเมื่อมีการแปลเป็นภาษาไทยอาจจะมีบางข้อความที่ซ้ำกันทั้งกลุ่มประโยคนะครับการอธิบายธรรมมักจะจบด้วยการสรุปเป็นคาถาเพื่อให้ท่องจำเป็นบาลีจำได้ง่าย มีความสละสลวยของภาษาและสอดคล้องกันกลายเป็นบทสวดเป็นคาถาเป็นการง่ายต่อการศึกษาและการจดจําของภิกษุในสมัยโบราณนะครับแต่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีความหมายไม่ต่างกันเป็นประโยคสรุปให้เท่านั้นอีกทีทั้งนี้จึงขอฝากไว้ด้วยนะครับเพราะปัจจุบันธรรมะที่ย่อเป็นคาถาไว้ให้สวดให้จาได้โดยง่าย กลับกลายเป็นการถูกเผยแพร่เป็นเนเรื่องของคาถาศักดิ์สิทธิ์ท่องกันแล้วแปลไม่ออกแต่ก็คิดว่าขลังคิดว่าท่องแล้วจะโชคดีจะร่ำรวยจะเป็นมงคลแก่ตัวเองซึ่งเป็นศีลพตะปรามาศอย่างหนึ่งเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งที่ทำให้คนที่เชื่อเช่นนั้นไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย